ส่วนกรร ม, มนิมิตก็นึกถึงเครื่องมือของการทํากรรมเช่นว่าถ้าเป็นคนอ่านพระไตรปิฎกมา ก, กอนนะเห็นนึกถึงพระไตรปิฎกก่อนตายอนะพวกนี้เป็นกรร ม, มนิมิตหรือถ้าอ่านหนังสือพิมพ์มากๆเนี่ยนะหนังสือพิมพ์มาเอาไหมก็ยุ่งกันเป็นกรร ม, มนิมิตนี่ยก็ยุ่งกันนะหรือว่า ต้นไม้ใบหญ้านะถ้าเป็นนักปลูกต้นไม้มากก็นึกถึงต้นไม้ก่อนตายเนี่ยพวกนี้เป็นกลุ่มกรรมนิมิตก็เลือกเอากันแล้วกั น, อ, นอารมณ์ของพบหม่ใช่ไหมทีนี้อารมณ์เหล่านี้มันมันมันเป็นตัวบอกถึงกรรมกรรมที่มานำเกิดนะว่ากรรมนั้นนี่จะเป็นคารุกรรมหรือไม่ต่อไปอะไรอีก อ, อาจินนกรรมอาสัน นะถ้าไม่เข้าหลักสามอย่างนะมันจะมีในอดีตชาติอีกกระตัดปาปณกรรมของอดีตชาติมานำเกิดอีก น, นี่คําถามว่าทําไมจึงเกิดนะแล้วถามว่าทําไมจึงนําเกิดก็เพราะว่าฉันทราคาในอารมณ์เหล่านี้มีมีบานไปหมดนะก่อนจะตายจริงๆแล้นะเราก็ชอบนะพวกกรรมแล้วลึกถึงกรรมกรรมนิมิตคตินิมิตนะก็ยังมีตัญหาเกี่ยวข้องอยู่ัตัหามันเชื่อมแม้กระทั่งก่อนตาย แต่ถ้าตัดชันทราคะได้ก่อนตายนะปฏิสนธิในพบใหม่ไม่มีทีนี้ถามต่อไปว่าเกิดได้กี่แห่งก็ไล่รกเปรตเด ร, ราชานอะไรอสุรกายมนุษย์เทวดาพรมรูปพรมอารูปพรมอันนั้นคือที่เกิดทีนี้ เมื่อเกิดในในได้กี่แห่งอย่างเงี้ยนะตั้งไล่ตั้งแต่อบายไปเรื่อยๆเนี่ยนะแล้วเกิดตรงไหนล่ะถ้าเป็นมนุษย์ น, นะถ้าเฉพาะเลือกมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ไหนล่ะก็ต้อง เ, เกิดในแม่ใช่ไหมก็พิจารณาไปเสร็จแล้วเกิดหรือถ้าบางแห่งเนี่ยนะมันก็ที่ที่เกิดมันเกิดไม่เหมือนกันใช่ไหมบางอย่างก็เกิดเป็นสังเสทชะ บางทีก็เกิดเป็นอันทชา้าสังเสริช้าก็คือพวกพวกเกิดในที่สกปรกนะอันทชา้าอันทะก็คือไข่อะเกิดในไข่ชะลาผู้ช้าเกิดในครันแล้วก็โอปปาติกะเนี่ยนะผุดเกิดขึ้นมันก็แบ่งแล้วพอปฏิสนธิเนี่ยมีอะไรเกิดบ้างมีองค์ประกอบอะไรของการเกิดขึ้นในขณะปฏิสนธิบ้างนะก็ไล่อย่างเงี้ยไปเรื่อยไปจนถึง เสิร์ฟเนื่อไม้ไปหาจุติอีกก็มาวิจัยแบบแบบเดียวกันเนนะเพราะวัตตะมันเป็นตายในในลักษณะนี้ที่นี้ทุกขยานเนี่ยนะยานในทุกเนี่ยละความสําคัญว่าพวกนี้เป็นเป็นเราก่อนใช่ไหมคือจริงๆทั้งหมดนี้คือขันห้านะมันไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครไม่ใช่อะไรทั้งนั้นแหละมันคือขันห้ารูปมีลักษณะรูปปนณะสลายเวทนามีลักษณะ สภาวะอารมณ์สัญญาจําหมายสังขารปรุงแต่งวิญญาณรู้แจ้งอารมณ์เนี่ยมนคือการประชุมของขันห้าขันห้าเท่านั้นแหละที่มันสืบเนื่องไปมันไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครไม่ใช่อะไรสักอย่างมันคือขันห้านี่ขันห้ามันเป็นโวหารที่เรียกกันเรียกอายตนะก็ได้เรียกธาตุก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วขันห้าเหล่านี้เนี่ยนะถ้าศึกษาไม่ดีก็นึกว่ามันจบแค่ตายใช่หมจริงจริงมันมีเกิดอีกการที่รอบรู้ในเรื่องเกิด ว่าสมุทยายาัยญาณญาณที่รู้สมุทัยแต่ว่าเกิดเนี่ยเลิกได้ไหมเลิกเกิดได้ไหมได้หรือไม่ได้อ่านะถ้าความรู้ในเรื่องเลิกรู้วิธีการเลิกเกิดได้นั่นแหละเรียกว่ายานในพระนิพพานเนี่นยนะห้ามศาสตตาทิฏฐิเพราะฉะนั้นอันนี้นับว่าสูงขึ้นอีกใช่ไหมสูงขึ้นไปอีกแล้วส่วนที่สำคัญที่สุดอ้าวถ้าจะเลิกเกิดแล้วทำยังไง เนี่ยนะคถามว่าทุกขยานเนี่ยนะคืออะไรก่อนนะคำถามเขาก็คื อ, อทุกมันคืออะไรถ้าเข้าใจอย่างนี้ได้นั่นแหละเรียกว่ามีทุกขยานแล้วเป็นไปอย่างไรเข้าใจอย่างนี้แหละเรียกว่าสมุทัยายานแล้วเลิกไปได้ยังไงเนี่ยนะ เลิกไปได้อย่างไรอันนี้เป็นนิโรธเลิกไปอะพราะไม่ไปอะเลิกไปแล้วถ้าจะเลิกอย่างนั้นต้องทำยังไงต้องทำยังไงอันนั้นเป็นเป็นมรรคยานเพราะต้องทาขึ้นใช่ไหมมรรคนี้ต้องเจริญขึ้นนะพระพุทธเจ้าเนี่ยสร้างมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นแล้วบอกประชุมชนประชุมชนก็เดินตามมรรคที่พระองค์ บอกแล้วพันมรคนี้ต้องต้องเจริญเนี่ยนะพันในบรรดาท่านถ้าไม่เข้าใจนะทุกขยานสมุทยายานนิโรธยานที่จะเจริญมรยานเนี่ยนะนับว่ายากไม่รู้จะเจริญให้เป็นอะไรหรือเจริญว่าอย่างไรก็แล้วแต่ใครอ่ะนหะของใครกับของใครละเพราะว่าไม่คือ เรื่องพวกนี้นะถ้าถ้าถ้าคนที่จะเข้าใจเรื่องนี้ดีนะที่จะละอุเฉศเนี่ยคนนั้นเนี่ยปัจจะปริฆหายานนี่แม่นมากในชีวิตนะพวกนี้จะละสัสตะพวกพวกที่ปัจจะปริฆหายานแม่นๆพวกที่จะละเออขอไปพวกที่จะละอุษษนเฉศนะกำหนดปัจใจนี่แม่นมากคนที่จะละสัสตะ์นี่จะต้องเข้าใจเรื่องไอ้สิ่งที่มันตรงกันข้ามกับกับวัตตะเป็นอย่างดีเลยแหละ อันนั้นนะจึงจะจึงจะรู้ว่าวัตตนนี่ดับได้อย่างนี้ในวิปัสสนาทั้งหลายเนี่ยท่านกล่าวว่าตัวทิฏฐิวิสุทธิเนี่ยนะทิฏฐิวิสุทธิกําหนดทุกขัสสะกังขาวิตรณวิสุทธิกําหนดสมุทัยสัตว์มคามาัคคยาณทัศ น, นวิสุทธิเนี่ยนะอันนี้กำหนด กำหนดมัคคสัตต์แต่ว่าในระหว่างนั้นอะที่รู้ว่าเป็นทางกับไม่ใช่ทางเนื่องจากแยกแยกเกี่ยวกับเรื่องนิพานได้แยกแยกว่าอะไรเป็นพระนิพานอะไรไม่ใช่พระนิพานจึงปฏิบัติข้อปฏิบัติเพื่อแทงตลอดพระนิพานนะนะอันนั้นเรียกว่าปฏิปทาญ า, านทัศนวิสุท ธ, ธิก็เกี่ยวกับอริยสัจเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับวิปัสสนาญาณเข้ามาด้วยนั้น อ, อริยสัจนี่ ถ้าเราทำปริญญาในอารมณ์ทั้งหลายน้อยอะนะก็ไม่ใช่วิสัยจริงๆะนะ ท, ที่คือเอาเรื่องชีวิตมาคิดน้อยมากะนะสะรุปพวกนี้จะเข้าใจยากมากในปฏิจจทุตบาล <c oughs> เนี่ยธรรมะแต่ละธรรมะเนี่ยก็เป็นปัจจัยซึ่งกันและกันใช่ไหมฮะตัวหนึ่งเป็นปัจจัยตัวหนึ่งก็เป็นตัว เป็นตัวเป็นผลใช่ไหมครับเช่นพ่อแล้วก็ตัวเป็นผลก็เป็นปัจจัยต่อไปนี่นะฮะซึ่งปฏิจจานุบาลนี่จะอธิบายอายการจุติและปริสนธิเนี่ยนะครับบางจุดนี่เราเห็นยากหน่อยแต่จุดที่เราเห็นง่ายๆก็มีนะฮะเช่นสมมติว่าสลายเจตนานี่เป็นปัจจัยแก่แก่มิญญาณแล้ววิญญาณก็เป็น เ, เช่นวิญญาณ น, นี่ใช่ไหมก็เป็นเป็นปัจจัยแก่น้ำรูปอะไรนี่นะครับ อย่างนี้เราเห็นชัดๆเลยใช่ไหมครับก็อย่างยังทุกขยานแรกเนี่ยนะถ้าเรามาคิดน ะ, ะทุกขยานทุกขยานก็เท่ากับบอกว่าชีวิตคืออะไรคำถามลักษณะนี้ก็ได้นะหรือว่าชีวิตเนี่ยมีองค์ประกอบอย่างไรก็ได้ก็มาแยกถ้าอย่างที่เราคุ้นเคยกันมากๆก็ชีวิตคืออะไรคือตาหูจมูก ลิ้นกายแล้วก็ใจอันนี้อี ก, อ ก, อกวิธีคิดอีกวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็คือชีวิตคือมหาพูดใช่คิดอย่างนี้ได้ไหมก็แยกแยะไปแล้วก็คือมหาพูดนามธรรมา ท, ทั้งหลายก็อาศัยมหาพูดไม่วัตถุ ก, ก็โดยอารมณ์หรืออีกวิธีหนึ่งก็บอกขันห้า แล้วพวกนี้มาอย่างไรอันนี้เรียกว่าสาวไปหาสมุทัยใช่ไหสาวไปหาสมุทัยว่าชีวิตเนี่ยเริ่มต้นก็คือเรียกว่าปฏิสนธิแล้วทำไมมาปฏิสนธิอย่างนี้ละ่ะอะไรบ้างที่ทำให้ปฏิสนธิอย่างนี้แล้วกรรมในอดีตมาเกี่ยวข้องกับชีวิตที่กำลังเป็นอยู่อย่างนี้ไหม มันมันสัมพันธ์กันในลักษณะนี้ว่ากรรมในอดีตเนี่ยนะมันทำให้ปฏิสนธิแต่ว่าหลังจากปฏิสนธินี่จริงๆอาศัยอาหารชรูปใช่ไหมกลุ่มอาหารชรูปเนี่ยมันค่อยๆสืบเนื่องเจริญเติบโตมามาโดยลำดับนะพวกอาหารชรูปกับอุตุชรูปเนี่ยแหละที่มันทรงอยู่ให้มันเป็นเป็นกายเนี่ยนะสัมพันธ์สืบเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ แต่ในส่วนกรรมมัชรูปเนี่ยนะกรรมตัวที่ให้เป็นปฏิสนธิกับกรรมที่ผลในประวัติการเนี่ยถามว่าอันเดียวกันไหมปัจจยุปบันอันเดียวกันไหมก็ไม่ใช่อันเดียวกันแล้วนะก็เป็นไปสืบเนื่องกันมาทีนี้ไอการที่สาวไปหาเรื่องอดีตเหตุอันนั้นแหละเรียกว่ากำหนดสมู ท, ทยัยกำหนดสมู ท, ทยัยทีนี้เมื่อเกิดมาอย่างนี้นี่นะเราจะยอมให้ ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งการทํากรรมอ่ะเพื่อปฏิสนธิในภพใหม่หรือไม่เนี่ยนะต้องการไหมจะให้อันนี้นำนำปฏิสนธิหรืออันนี้ไม่นํามาหรือกรรมในอดีตมันเกิดแันเรายอมไหมอันนะถ้าไม่ยอมแต่ถ้ายอมจำนนอย่างเดียวทํามาเยอะแล้วยังไงก็ต้องไปล่ะพวกนี้ก็เป็นพวกเอียงเอียงไปหาศาสตะนะ หนักไปทางศาสตะแต่ว่าจะศาสตะยังไงก็ช่างโบราณก็บอกว่าปาถนานิพานไว้บ้างเน้อ น, นะให้ทานก็ปราถนานิพานรักษาศีลก็ปราถนา น, นิพานนัปจยโยโหตุก็ว่าไปตีเพิ่มไปอีกศัพท์หนึ่งอนาคติกาลีตอนนี้ยังไม่ได้ก็ยอมไปก่อนเน้อนะแต่ว่าครั้งต่อไปนี่จะไม่ยอมเป็นแน่ยานที่อย่างรู้ว่าจริงๆแล้วดับได้ น, ะ น, นั้นแหละเป็น นิโรธทายาทรู้ว่าเออดับได้นะว่ตตะเนี่ยเสร็จแล้วมาถึงว่าแล้วปฏิบัติยังไงจึงจะดับได้อันนั้นจึงเป็นมัคคยานเนี่ยนะปฏิบัติยังไงจึงจะดับตัญหาในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ได้แต่ว่าส่วนที่สําคัญว่าสิ่งนี้ทั้งหมดก็คือชีวิตของเรานะคนที่จะต้องเอาเรื่องชีวิตเนี่ยมาคิดเป็นอย่างมากเลยแหละ เรื่องเจริญวัยทั้งหลายและนะต้องเอามาคิดเยอะๆเนี่ยนะเรื่องเจริญวัยน ะ, ะบาลีเขาว่าไงะนะวโยอะไรนะพุทังคมาะนะคือคื อ, คอการเจริญเติบโตตามตามวัยนะการเจริญการเสื่อมตามลําดับวัยอันนี้ก็ควรที่จะเอามามาคิดให้มากๆนะตั้งแต่เกิดเลยเกิดจะ10ปีแรก10ปีที่2องปีที่3สามมันถ้าเราไม่ไม่คิดยาวๆอย่างนีถ้ามองกันเป็นข ณ, ขณะขณะคิดอยู่แค่ขณะขณะเนี่ยดับทุกข์ไม่ได้หรอก มันต้องมองแบบยืดยาวแล้วก็ทั้งยาวทั้งสั้นนั่นแหละทั้งโดยอาธาัธยาันตติและขณะถ้าได้ก็ดีนี่นะเาเ ร, เรื่องนิโรดนี่เป็นการดาบับสพตนิิครบั บ, รบเอานิโรมาดับสพตนิิอ่าคือโดยคำถามเนี่ยมันตอบได้ใช่ แต่ว่าเราจะตอบไปที่ว่าความเข้าใจคนนั้นมีเท่าไหร่ น, นะซึ่งตรงนี้ก็คงเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วเนาะมาขึ้นอีกในต่อไปว่าการที่พระองค์เอาทุกขยานเนี่ยนะมาแสดงก่อน ก็เพื่อห้ามการปฏิบัติผิดในผลคือความสมคัญผิดหรือวิปลาดในขันห่านะสำคัญว่ารูปรขันน้งามนะการที่แสดงทุกขสัตย์ขึ้นมาลำดับแรกก็เพื่อจะห้ามวิปลาสนะว่าทุกรูปรขันไม่งามนะเวทนาขันไม่ได้เป็นสุขจริงๆนะวิญญาณขันไม่ได้เที่ยงจริงสัญญาขันสังขารขันไม่ใช่อัตตา มันก็คือประกาศความไม่เที่ยงเป็นทุกความเป็นอนัตตาความเป็นอสุภะของขันทนั่นเองแลผมยังสงสัยอยู่ว่ า, าการเจริญกายยานุปัสสนาหรือว่าทำปริญญาในในในขันในรูปขันนะคับอันนี้เนี่ยเพราะว่าละสุภะวิปราสจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องผู้นั้นจะต้องรู้เรื่องการละนิจจาวิปราสด้วย อัตวิปลา ด, ด้วยถูกไหมครับรู้ว่าสุขภาพเกือพวกถ้าท่านเน้นเป็นพิเศษเรื่องละสภาพวิปลาดเนี่ยนะพวกนี้คือพวกตัญหาจริตหมาว่าแต่เห็นพูดทุกทีเลยว่าถ้ากายยาลูกศาสนาก็หมายความละสุภาพวิปลาดทุกร่างเนี่ยนะฮะคื อ, อคนนี้นะถ้าเลิกวิปลาดเลิกสุภาพอย่างเดียวนะอย่างอื่นมันไม่ใช่ปัญหาละว่าจุดด้อยเข้าเรื่องนี้เรื่องเดียว คือถ้าคนนี้นะ่ะเลิกเครียกว่าถ้ามองขันห้าเป็นรูปขันนะถ้าเขามองเป็นอสุภะอย่างเดียวนะที่เหลือไม่ใช่ปัญหาละเพราะพวกนี้ติดในสีมากสาคัญว่าสีเนี่ยงามหมายว่ามันมันมันจินตนาการเรื่องสีคิดเรื่องสีคิดได้เป็นวันเป็นคืนอะ่ะมันท่องเที่ยวอยู่ในรูปายตระนะเนี่ยนะสีปาย แต่ถ้าบอกว่าสีอันนั้นนะแล้มาแยกเป็นสีผมขนเล็บฟันหนงังไล่ลงรายละเอียดไปเรื่อยๆปั๊บมันก็จะละวิปลาสชนะแต่พวกนี้ไม่ได้มันก็ติดอยู่ในสีเนี่ยมากฉะนั้นอสุภะเนี่ยกลุ่มป่าช้าเก่านะตั้งแต่ตายขึ้นใหม่ๆตายเป็นขั้นๆนะก็จะบอกถึงเจริตว่าชอบแบบไหนพอถ้าไม่คิดอย่างนั้นเนี่ยพวกนี้จะละสุภาพวิปลาสไม่ได้ฉะนั้นพวกนี้ถ้าละสุภาพวิปลาสได้อย่างเดียวนะอย่างอื่นเนี่ยไม่ใช่ปัญหาละละไม่ยาก <c oughs> เพราะการทําปริญญาณในรูปประคันนะถ้าพูดถึงว่าทําอย่างละเอียดแล้วนี่นะครับมัก็ไม่ใช่เห็นสุภาพวิปลาดอย่างเดียว อ, อ๋อแน่นอนเนี่ยนะ<ช>เพราะว่าอย่างเช่นถ้าใครพิจารณารูปประคันมากมากเนี่ยนะแต่รูปประคันที่มันอสุภาพอย่างนี้มันจะสุกได้ยังไงไ <c oughs> ม่ก็ไม่ใช่แล้วรูปอย่างนี้มันจะเที่ยงได้ยังไงแล้วมันใครล่ะ กืก็ไม่ยากนะแต่ทีนี้คนนี่มันเมาในความสวยเกินกว่าที่จะไปคิดอะไรที่มันเรื่องอื่นนะแต่ถ้าเลิกเมาเรื่องคิดสวยอย่างเดียวนะไม่ใช่ปัญหาเลยแต่อีกคนหนึ่งมันคิดแต่เรื่องความสุขแต่ถ้าเขาเข้าใจถึงว่ามันจริงๆมันคือทุกข์นะแล้วเรื่องอื่นมันก็ไม่ใช่ปัญหาอีกอันนี้เขาเรียกว่าสอนธรรมะตามตามจริตนั้นอย่างอย่างที่ว่านะใครที่เห็นอันนี้จังก็เท่ากับเห็นทุกขังและอนัตตาด้วย ใครที่เห็นทุกขังก็เท่ากับเห็นอ น, นิจจังกับอนัตตาด้วยถ้าเห็นอ น, นิจจาเห็นอนัตตาก็เท่ากับเห็นเห็นอ น, นิจจังเห็นทุกขังด้วยแต่ว่าความเด่นชัดหรืออินทรีย์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่นี้อย่าลืมว่าของเราทั้งหลายเนี่ยศึกษาธรรมะแบบแบบค่อนข้างคลุมจั ก, กรวาลเคยไม่เหมือนสมัยพุทธกาลสมัยพุทธกาลเนี่ยนะพระพุทธเจ้าสอนกรรมาฐานตามตามจริตเลยใช่ไหมเอาแก้มาเนี่ยเรื่องขับหน่ เน้นพิเศษรูปขันกันแล้วกันคนนี้เน้นพิเศษเวทนาขันงไซึ่งตามจริตเข้าฟังแล้วก็ไปเจริญแล้วบรรลุได้ของเรานี่มันเรียนแบบลักษณะก็สุ่มกระแหะก็คือหวานเอาหมดอ่ะนะติดอะไรก็เอาอันนั้นแหละไปก่อนมองไม่เห็นเลยว่าใครเป็นใครอ่ะนะรู้สังสมอะไรมา ใครรู้ได้ยังว่าตัวเองนี่สูตรไหนแน่สูตรนี้บรรลุแน่นอนคิดอย่างนี้บรรลุแน่แน่นะรู้ขนาดนั้นหรือยังเลิกกับปะเทรคถาได้แล้วอ <c oughs> ังกีตอนก็ชอบกับปะเทรคถามากหรือใครชอบนะนะหรืออะไรนะปาราปริยะเทรคถานี่แหละสูตรนี้แหละปฏิบัติแล้วบรรลุเลยแหละหรือถ้าท่านเด่นชัดแยกแยะเอาสูตรที่ตัวเองปรารถนาแน่นอนแล้วก็อันนี้ก็แจวแล้วล่ะ แต่ถ้ายังไม่รู้มันก็ต้องเรียนอย่างกว้างขวางอย่างนี้แหละจนกว่าจะต้องเรียนไปแล้วะนะสะรุปแล้วเหลือสูตรเดียวอ่ะเรียนจนหมดทุกสูตรนะเหลือสูตรเดียวเนี่ยนะก็ต้องเล่าเอาขนาดนั้นแหละขนาดทานนนะยังกายยัคตาสติอยู่เลยเห็นไมไม่ไม่ได้เน้นไปเจริญทำไมไม่ท่านไม่ลักษณะเข้าฌานเนี่ยนะคือปกตินะท่านนนท์เนี่ยเป็นเป็ น, ปนมี ทัสมะครหาบดีใช่ไหมทสมะหรืออัฏฐกะทสมะเนี่ยใช่ทสมะคหรหะบดีไปถามว่าพระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสามัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยนะได้ตรัดทางแห่งพระนิพพานเนี่ยมีไหมข้อปฏิบัติอย่างเดียวอะที่ปฏิบัติแล้วนิพพานเลยแบนั้นละกิเลสได้ทาน น, นก็บอกมีะนะเช่นจะ เ, เข้า ได้ปฐมฌานออกจากปฐมฌานแล้วก็พิจารณาอันนี้จังเป็นต้นะนะเนยเสร็จแล้วถ้าผู้นั้นพิจารณาอย่างนี้ก็สมถาวิปัสนาควบผู้กันไปแล้วก็ปฏิบัติอย่างนี้ก็บรรลุแล้วแต่ถ้ายังฉันทราคาอย่างเหลืออยู่ก็เป็นพระอนาคามีใช่ไหมเสร็จแล้วท่านก็แสดงนะั้นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานและแสดงอรูปฌานแสดงอัปปมัญญา ว่าเออปฏิบัติตามนั้นแล้วบรรลุพระนิพพานแล้วพอพระนนปฏิบัติจริงๆท่านปฏิบัติยังไงท่านปฏิบัติตามสูตรที่ท่านสอนอุบาสกคนนั้นไห ม, ไมใช่ท่านไปเจริญกายคตตาสติให้วันคืนล่วงอ่านะให้ราตรีเป็นอันมากล่วงไปด้วยกายคตาสติแสดงว่าท่านพิจารณารูปปัจขันเป็นส่วนมากไม่ใช่พไม่พิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญาณท่านพิจารณาแต่มากด้วยการพิจารณารูปปัจขัน แสดงว่าท่านนั้นเป็ น, ปนตันหาจริตเนี่ยนะเป็นกลุ่มตันหาจริตแต่ก็ใช่นะเพราะท่านอาไลอาวอ์ในพระพุทธเจ้ามากเนี่ยนะอาไลอาวอในรูปขันพระพุทธเจ้าเนี่ยมากจริงแต่ก็ถ้ารู้จริงในขันใดขันหนึ่งอะนะมันก็จะรู้จริงขันอื่นๆอีกทั้งหมดนั่นแหละเพราะว่า ถ้าพิจารณาแม้กระทั่งสีของเสานะถ้าพิจารณาเสามากๆเนี่ยถามว่าจะรู้จิตตัวเองที่ไปพิจารณาไหมมันก็ต้องจะได้อะไรที่มาคิดเรื่องเสาเนี่ยะที่รู้ได้ว่าเสาก็พระวิญญาณาขันนั่นแหละถ้าคิดเรื่องเสาเยอะๆจริงๆ จ, จ, จ, จะรู้จิตตัวเองด้วยซ้ําไปญญาปัญห า, ม, ามันคิดไม่ยาวอะริว่าเสาแต่แค่นี้ไม่ได้อยู่แล้วละ่ะแต่ถ้าคิดอย่างมากกว้างขวางละเอียดลึกซึ่งพิจารณาโดยรอบ เสานี้ดีเป็นที่ตั้งแห่งความดีใจมั่งละเอียดนี่ถ้าเสามันบินตาใจเราเป็นยังไงเป็นต้นเน่ยนะก็จะรายละเอียดมันพิจารณาแม้กระทั่งนามาขันได้เธอขอให้มันรู้จริงสักเรื่องหนึ่งเธอแล้วต้องรู้รอบจริงๆนะรู้รอบอย่างว่าแต่ถ้ารู้ไม่รอบนะก็ก็ไม่ได้แต่ถ้ารู้รอบอย่างใดอย่างหนึ่งมันจะรู้รอบอันที่อื่นอีกทั้งหมดน่ยนะเพราะสัจจะนี่ถ้ารู้สัจจะใดสัจจะหนึ่งจริงมันจะรู้ทุกสัจจะอันะ แต่ว่าถ้ารู้ไม่จริงเนี่ยมันก็ไม่รู้สักสัจจะอีกนั่นแหละขันห้าเหมือนกันนะถ้าไม่รู้จักขันใดขันหนึ่งเป็นอย่างดีมันก็ไม่รู้ทุกขันอย่างนั่นแหละแต่ถ้ารู้ทุกขันก็แสดงว่าคนนั้นเนี่ยพิเศษกับการพิจารณาขันอย่างใดอย่างหนึ่งพวกที่พวกได้กสินนะพวกนี้เน้นจากการพิจารณาสัญญาขันมากพวกเจริญกสินเพราะที่เขาเจริญกสินได้เนี่ยเพราะสัญญาขันเป็นหลัก แต่ถ้าพิจารณาสัญญาขันและสังขารขันอยู่กับสัญญาไหมอยู่แล้ววัตถุของขันเหล่านั้นคืออะไรก็คือรู ป, ปรขันวัตถุเป็นที่อาศัยเกิดของสัญญาขันเนี่ยนะก็คือรูปรขันที่ถ้าพิจารณารูปรขันนะไม่ลงมาหามหาพูดแล้วไปที่ไหนก็มาหามหาพูดอีกนั่นแหละถ้ารู้มาหาพูดนั้นมหาพูดมันกีกิทวาน่ะ มหาพูดเป็นที่ตั้งแห่งภาษาท่อะไรบ้างแล้วภาษาทะเหล่านั้นเป็นตะวันแห่งขันอื่นอย่างไรเนี่ยนะอ่าว่าโดยสรุปนะการพิจารณาธรรมะก็คือการพิจารณาชีวิตมันเป็นคนที่มองชีวิตอย่างรอบด้านมองชีวิตอย่างรอบด้านจนแยกออกว่าส่วนไหนเป็นผลส่วนไหนเป็นเหตุถ้าจะดับผลดับได้อย่างไรแล้วมีวิธีการดับ ดับได้ยังไงเนี่ยนะเพราะนั้นอันนี้แหละที่สําคัญมากถ้าประยุกต์ส่วนนี้ลงมาในชีวิตได้จริงๆก็เข้าใจคําสอนเป็นเป็นอย่างมากอันนี้แหละเรียกว่าเป็นปัญญาศิกขาเบื้องต้นนะเบื้องต้นวิปัสสนาพิจารนี่มีโอกาสเป็นบ้าไหครับคือปกติมันบ้าอยู่แล้วนะมันก็พิษทางมันก็ไม่ได้ทําให้ฉลาดอะไรขึ้นนะเหมือนกับคนไม่รู้ทางแล้วเดินหลงทางเนี่ยนะมันเป่นยังไงปกติมันก็ไม่ได้เข้าใจทางอะไรอยู่แล้วอนะ่ะ มันก็ถามว่าเขาหลงทางใช่ไหมเอ้าปกติเขาก็ไม่ได้อยู่ในทางอะไรพไปเข้าโรงพยาบาลโรคจิตก็มีน่นอคุณมุฒมีนี่นึกว่าจะพูดอะไรนะแต่แต่สิ่งที่ค mm, ุณวุฒมีพูดนะจริงพอมายังเคยชวนพระรูปหนึ่งเข้าโรงพยาบาลเลยเข้าโรงพยาบาลโรคจิตนี่แหละ คือคือท่านคิดว่าท่านเป็นคนพิเศษอ น, นะจำได้ไหมวันที่หมอวัลลภพูดสุกก่อนนู้นน่ะนะคือเขาเขาพวกนี้เขาจะคิดว่าเขาเป็นคนพิเศษมากๆเลยโอ้เขามีความเชื่อมั่นตัวเองสูงมา ก, กอลยนะเขาเป็นคนพิเศษมากเหมือนกับว่าบรรลุมรรคผลแล้วอะ่ะโอยสําคัญกันนะก็อยู่ด้วยกันดีๆอ่ะนะห่างกันแค่เดือนสองเดือนเนี่ยตอนหลังอะ่ะเราต้องพาส่งโรงพยาบาลเลยแต่อยู่วัดวัดหนึ่งอ่ะนะ าจากอุบลก็ไปอยู่น้องคายแล้วก็กลับมาจากน้องคายเลยเข้าส่งมาศีมหาโพธิ์เลยเราก็ไปส่งท่านก็ <c oughs> วิปัสสนาผิดๆอย่างคุณบุนมีว่านะจริงๆท่านก็ไม่เด็เข้าใจถูกอะไรอยู่แล้วอะนะพอไปเจริญบางอย่างเข้าเจริญมากมากขึ้นเอาเป็นเอาตายมากขึ้นเลยบ้าเลยนั่นนะก็เลยใช้ยาแต่ไม่รู้ชนิดเดียวกันหรือเปล่าไม่ทราบนะก็กลุมเดียวกันนั่นแหละ ก็แล้วก็หายไม่ได้เจอหน้ากันสักก่อนมาเชียงใหม่ปีหนึ่งก็ไม่ได้เจอหน้ากันสี่ปีกว่าห้าปีแล้วก็ก็เป็นอย่างคุณมูลมีว่านะแต่จริงๆท่านปกติท่านก็ไม่ได้เข้าใจถูกอะไรเท่าไหร่นะมันถ้าเพี้ยนไปอย่างนั้นแต่ว่านั่นก็เกิดจากข้อปฏิบัติที่ผิดแล้วก็มีความกดดันบางอย่างเนี่ยนะแล้วกับข้อปฏิบัติที่ผิดด้วย ก็เลยอาการเนี่ยเป็นเอามากเลยนึกว่าบรรลุอ่านะมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะเกิดช่วงเข า, เขาคิดว่าเขาเป็นพธาตุหันเข mm hmm. ้าใจผิดนะไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปรับนิมิตบางอย่างก็เลยรู้ว่าอ้าวไม่ใช่ <c oughs> อ่านะก็มีอยู่พักหนึ่งเหมือนกันก็อย่างนี้ก็มีนะก็จริงก็พระพิสูจน์ที่บวชเข้ามาก็ใครมาบวชแหละท่านเขาไม่ได้รับจะบักบวชเฉพาะแต่พธราตรุหันอย่างเดียวใช่ไหม เขามีพระเจ้ามิเรนถามว่าพระาศาสนาเนี่ยนะทำไมไม่เอาเฉพาะพผ้ารหัสบวชอย่างเดียวทําไมเอาปุถุชนเอาอะไรมาบวชกันเนี่ยนะน่าจะเอาคนดีดเข้ามาแล้วทั้งหมดมาบวชทําไมไม่ทําอย่างนั้นนะเนี่ก็เหมือนกับว่าพระาศาสนาของเราเนี่ยอุปมาเหมือนกับสาน้ำใช่ไหมสะน้ําที่ที่มันสะอาดใสบริสุทธิ์เนี่ยนะเขาสาน้ำเนี่ยมีอาไว้ให้ใครอาบ เอาไว้ให้คนสะอาดอาบหรือว่าให้ใครอาบก็ให้คนสกปรกนี่คนสกปรกบางอย่างไม่ยอมอาบมันเดินเทียดเียสะเฉยเฉยเนี่ยนะหรือมันลงไปแล้วมันขึ้นมาเฉยเฉยโดยที่ไม่ถูไม่ล้างไม่ซักไม่ฟอกเลยมันจะสะอาดได้ไหมก็สะอาดไม่ได้เนี่ยนะโรงพยาบาลทำไมไม่ให้คนที่หายไข้ทั้งหมดเข้าจะได้รักษาหายทุกคนเนยนะเอาก็คนไม่ป่วยเข้ามันก็หายทุกคนอยู่แล้วล่ะ คืก็เป็นอย่างนี้แหละเพันธุ์โทษศาสนาไม่ได้หรอกก็โทษผู้ที่ที่เข้ามาเนี่ยนะทีนี่ธรรมโอสถคือคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ดีแล้วเนี่ยก็มีบางคนปฏิบัติตามถูกบางคนก็ปฏิบัติตามผิดที่ทปฏิบัติตามผิดเนี่ยไม่ใช่คําสอนผิดแต่เขาเข้าใจคําสอนผิดทีนี้ถามว่าแล้วมีแล้วเป็นยังไงอ่ะก็ก็ปฏิบัติผิดมีผลก็คือก็คือบุคคล น, นั้นแหละ เธอก็ว่าเสียหายตกจากศาสนาไปแต่ศาสนาไม่ได้มีความผิดอะไรเปรียบเหมือนอท่านอุปมาว่าเหมือนกับหมอที่ปรุงยาชั้นดีเอาไว้เลยเนี่ยนะชั้นดีปกติแล้วคนไข้โดยมากเขากินแล้วหายทั้งนั้นแหละไอ้เจ้านี้มันกินผิดสูตรอย่างพาราปกติเขากินแก้ปวดใช่ไหมแอ้คนนี้มันกินทีห้าสิบเม็ดอย่างเงี้ยอะไรจะเกิดขึ้นคือมันมันเกินไปอ่ะนะมันไม่ไม่ไม่เป็นไปตามการรักษา หรือบางคนนี่ก็นั่งดูแต่เม็ดยาเฉยๆยังไงมันก็ไม่หายคำสอนก็เหมือนกันถ้าเข้าใจผิดปฏิบัติไม่ถูกต้องก็ผลก็ผิดอยู่แล้วละแต่ทีนี้อย่างที่เราศึกษากันมาเนี่ยนะว่าผิดหรือถูกเอาอะไรเป็นเครื่องวัดเนียนะอ่านะก็ น, นั้นก็จริงเอาอริยสัจมาวัดเนี่ยถูกต้องจะเอาส่วนในก็ได้ทุกษาสตร์เราทำปริญญาไปแค่ไหนอันนี้ข้ออันหนึ่งนะเครื่องวัด สองสมุทัยศัสตร์เราลดอะไรลงไปบ้างแล้วเนี่ยนะก็คือกิเลส ท, ทั้งหมดเรียกว่าสมุทัยศัสตร์ใช่ไหมลดกิเลสอะไรบ้างแล้วนิโรท์ที่สงบจากสังขารทั้งมวลนี่เราเข้าใจขนาดไหนสามมรรคศัตร์เนี่ยนะายขาเจริญอะไรเจริญแล้วอะไรมั่นคงแล้วอะไรขาดอะไรไม่ดีแยกแ ย, ยะเป็นขนาดไหนอันนั่นแหละเป็นเป็นตัวชี้นะชี้ว่าเจริญในาศาสนานี้เท่าไหร่ แต่ถ้าชี้ไปหาอริยศาสตร์ไม่ได้เลยนะไม่เอาเครื่องวัดนี่ไม่เป็นไปตามหลักอริยศาสตร์สี่เนี่ยก็ก็อันนี้แหละเรียกว่าของใครก็ของใครละของมาจะเจริญอุเบกขาสามโพธนะิชนมีอยู่ข้อนึงให้พิจารนาว่าเขาก็มาด้วยกรรมของเขานะเราก็มาด้วยกรรมของตนเนี่ยนะก็นี่แหละที่เรียกว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของน้องตนจริงๆละเนะี่ย ไม่ไ ม, ไม่ไม่คิดอะไรมากะนะเพราะถ้าปฏิบัติผิดก็อยู่กับขันห้านี่แหละไม่ได้ไปพ้นขันห้าอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าปฏิบัติพูดอ่ปฏิบัติถูกต้องก็สลัดออกจากขันห้านะก็สมควรก่เวลานล้นนะ